บทที่แปดสิบเจ็ดธรณีสูบการกลับมาคณะห้าวัดมห า, าธาตุในครั้งนี้พระเจริญมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้สำเร็จเพราะได้ประจักษ์ชัดด้วยตนเองแล้วว่า วิชาอะไรๆก็สู้วิปัสสนากรรมฐานไม่ได้บทเรียนได้รับจากอุบัติเหตุรถพุ่งลงเหวในคราวนั้นทำให้ท่านได้เรียนรู้ว่าคาถาอาคมต่างๆใช้แก้ทุกข์ไม่ได้ช่วยให้พ้นไปจากเวรกรรมที่ก่อไม่ได้หากไม่เคยปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานมาบ้างเห็นจะมอดม้อยมอรนาชีวาวายแวบเป็นปราแปรปิงอยู่ก้นเหวนั่นเอง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 สภาวะธรรมอย่างนี้อย่างนี้จะต้องแนะนำว่าอย่างไรใช้อะไรมาแก้หรือถ้าเขาเกิดความเบื่อหน่ายท้อถอยจะต้องพูดให้กําลังใจอย่างไรเรื่องการปฏิบัตินั้นลึกซึ้งมากแต่ละคนทำกรรมมาไม่เหมือนกันเมื่อมาปฏิบัติอาการที่ปรากฏจะแตกต่างกันออกไปหากผู้สอนมีประสบการณ์ไม่มากพอก็จะช่วยเขาไม่ได้ หรือแนะนำเขาอย่างผิดๆก็จะทำให้เขาเสื่อมจากประโยชน์อันควรที่จะได้ควรที่จะถึงเหตุใดท่านจ้คุณอาจารย์จึงให้เนรทองดีกลับไปก่อนแล้วครับน่าจะให้อยู่หาประสบการณ์ก่อนเขาไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นเพราะไม่ต้องสอนใครคนเราใช่จะเหมือนกันไปเสียทุกคน บางคนเรียนเก่งแต่สอนไม่เป็นส่วนคนที่สอบตกแล้วตกอีกกลับสอนเก่งมีถมไปพระเจรนตรู้สึกว่าเจ้าคุณอาจารย์ว่าท่านจึงแก้ตัวไกลๆว่าก็พระอาราหันยังเก่งไม่เท่ากันเลยนี่ครับไม่เช่นนั้นพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะจะได้รับแต่งตั้งให้เป็นอัครสาวกระครับนั่นสิ ทีนี้เธอเข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมฉันตึงต้องให้เธออยู่จนครบหกเดือนส่วนเนรทองดีไม่ต้องอยู่เข้าใจแล้วครับกระผมตั้งสัจจะต่อท่านเจ้าคุณอาจารย์ว่าจะตั้งใจปฏิบัติจะไม่เกีย็คร้านเหมือนที่แล้วแล้วมากระผมจะได้ประจักษ์แล้วว่าวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติ ป, ปัฏฐานสี่นั้นมีอนิสงส์มาก กระผมรอดตายมาได้เพราะวิปัสนาแท้ๆและท่านจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เจ้าคุณอาจารย์ฟังเล่าจบจึงถามว่าที่กระผมไม่ตายเพราะอานิสงส์ของวิปัสนาใช่ไหมครับถูกแล้วพระอุดมวิชาญาณตอบและอธิบายต่ออีกว่าการเจริญวิปัสนาตามแนวสติปัทานสี่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 การระลึกชาติได้นั้นไม่ได้หมายความเฉพาะระลึกชาติที่แล้วแล้วมาเท่านั้นการที่เธอจําได้ว่าเมื่อเธอเรียนปถมศีเคยรับจ้างเผาบ้านเขานั่นแหละคือการระลึกชาติได้และการที่เธอต้องนอนหนาวอยู่ในเหวรู้ว่านั่นเป็นเพราะเคยทำให้คนอื่นหนาวก็แปลว่าเธอได้เห็นกฎแห่งกรรมแล้ว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 และตั้งใจมุ่งมั่นว่าจะต้องกลับมาเรียนต่อให้สำเร็จนี่นะไม่ใช่อนิสงข้อที่สามหรอกฤรืพระเจริญศรัทธาเจ้าคุณอาจารย์อยู่แล้วเมื่อท่านรู้ในสิ่งที่ไม่ได้เล่าก็ยิ่งศรัทธามากขึ้นพระหนุ่มเล่าเฉพาะเรื่องอุบัติเหตุส่วนเรื่องไปเรียนวิชาเะดาะลูกกุญแจกับหลวงพ่อลีวัดบางปิ้งท่านไม่ได้เล่า แต่เจ้าคุณอาจารย์กลับรู้อย่างนี้นี่เองหลวงพ่อในป่าถึงได้บอกว่าท่านอาจารย์ของเธอเก่งไม่มีใครเทียบเทียมได้เอาละเธอกลับไปปฏิบัติที่ห้องได้แล้วอ่อเดี๋ยวก่อน พรุ่ง น, นี้ตอนเย็นไปวัดปากน้ํากับฉันวัดปากน้ําภาษีเจริญน่ะเหรอครับจะมีปากน้ําไหนอีกละ่ะเจ้าคุณอาจารย์จะไปทําไมล่ะครับไปสอบอารมณ์ให้หลวงพ่อสดนะสิท่านมาเรียนวิปัสสนากรรมฐานช่วงที่เธอกลับไปวัดพรมบรุรีมาพักที่คณะห้าเจ็ดคืนเจวันหลังจากนั้นท่านก็กลับไปปฏิบัติต่อที่วัด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 กราบเบญจางคับประดิษฐ์สามครั้งแล้วก็กล่าวว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์จำกระผมได้ไหมครับที่เคยมาเรียนวิปัสนาที่นี่เมื่อสองปีก่อนจำได้สิอยู่อำเภออุ่มผางจังหวัดตากใช่ไหมครับกระผมมาเรียนอภิธรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านปริยัตเพิ่งมาถึงได้สักครู่เข้าที่พัก และก็รีบมากราบท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่นี่ล่ะครับภิกษุวสามสิบเศษรายงานออพักอยู่คณะไหนละ่ะคณะ22สองครับพระครูดมวิชาญาณหันมาบอกพระเจริญว่านี่มาหาสมชายเคยมาเรีนยนวิปัสสนาที่นี่มาสองปีที่แล้วพระเจริญจึงทําความเคารพผู้มาใหม่ ด้วยการไหว้กระผมมีเรื่องอัศจ ร, รย์จะเล่าถวายครับมหาสมชัยบอกกล่าวไหนเล่าไปซิเจ้าคุณอาจารย์บอกความจริงท่านรู้ตั้งแต่ลูกศิษย์เข้ามาบอกว่ามีพระจากสำนักอภิธรรมจะมากราบหลวงพ่อแต่ท่านต้องการให้พร ะ, จะเจริญได้รับรู้ด้วยคือเมื่อวานเซิน โยมที่ปลูกบ้านข้างวัดถูกธรณีสูบครับงั้นหรือแล้วรู้ไม่ว่าสาเหตุมาจากอะไรพระอุดมวิชาญาณถามเพราะเขาตีแม่ครับกระผมเห็นกับตาคนมาดูกันทั้งอำเภอน่าแปลกมากเลยครับท่านเจ้า ค, คุณอาจารย์คนที่เป็นญาติกันกับแกเล่า ว, ว่าโยมคนนี้แกเอาลูกชายมาให้แม่ช่วยเลี้ยง ตัวเองไปทำนาแม่แกงกงกเงินเงินเลี้ยงหลานท่าไหนก็ไม่ทราบหลานพลัดตกใต้ทุนหัวแตกลูกชายกลับมาเห็นก็โกรธแม่แทนที่จะคิดว่าลูกของตัวสซนตามประสาเด็กกลับไปโทษแม่ว่าเลี้ยงหลานไม่ดีใช้ไม้ขัดหม้อข้าวตีมแม่ใหญ่เลยแม่ก็กลัวยกมือไหว้ลูกชายปลุกปลกลูกชายก็ไม่ฟังเสียง ตีแม่เสียงดังยังกับตีวัวตีควายชาวบ้านมาห้ามก็ไม่ฟังแม่ก็วิ่งหนีลงเรือนมาลูกชายวิ่งตามพอพ้นหัวบันไดก็เลยถูกธรณีสูบเลยครับสูบมิดเลยเหรอครับพระเจริญถามยังไม่มิดหรอกครับคือแกยืนนิ่งอยู่กับที่ขยับขยื้อนไม่ได้ร้องว่าโอยโอยแผ่นดินสูบ แผ่นดินสูบแม่หันมาดูแต่ก็ไม่กล้าเข้ามาใกล้เพราะกลัวลูกชายตีเอาอีกพอแกร้องเช่นนั้นชาวบ้านก็พากันมาดูปรากฏว่าเท้าทั้งสองของแกจมลงไปในดินถึงตัดตุม่มเขาก็ช่วยจุดก็จุดไม่ขึ้นมีคนบอกว่าให้ขอขมาแม่เสียแกยกมือประนมบอกแม่ว่าแม่จา๋าลูกขอโทษ โปรดอโหสิกรรมให้ลูกด้วยแม่เห็นเช่นนั้นก็เดินเข้ามาใกล้แต่ก็ยังมีท่าทางหวัดหวาดกลัวจะถูกตีแล้วแม่อโหสิกรรมให้ลูกไหมครับพระหนุ่มถามทั้งๆ ท, ท, ที่ค่อนข้างแน่ใจว่ามารดานั้นรักบุตรสุดชีวิตย่อมอภัยให้ลูกได้เสมออโหสิสิครับแม่ก็บอกว่าแม่ไม่ถือโทษโกรธลูก ขอแม่พระธรณีจงอย่าลงโทษลูกเลยแต่ก็ไม่สำเร็จครับชาวบ้านช่วยกันฉุดแม่ก็ช่วยแต่ก็ฉุดไม่ขึ้นค่อยๆจมลงไปเทลนิดละนิ ด, นดจากตะตุ่มก็ถึงข้อเท้าถึงหน้าแข้งสมภารวัดท่านก็ไปดูท่านให้คนไปหาเชือกเส้นใหญ่ๆมามัดตัวโยมคนนั้นแล้วให้ชาวบ้านช่วยกันดึง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 เป็นเรื่องที่สร้างความสลดหดหูให้กับผู้ที่พบเห็นมากครับท่านเจ้าคุณมหาสมชัยเล่าภาพเหตุการณ์เหล่านั้นยังติดหูติดตาท่านเหมือนว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้เองแม้ถ้าฉันมีเฮลิคอปเตอร์จะต้องบินไปดูให้เห็นกับตาเลยพระอุดมวิชาญาณพูดขึ้น ท่านจะคุณไม่เชื่อเหรอครับมหาวัยสามสิบเศษถามเชื่อซิทำไมฉันจะไม่เชื่อเพียงแต่อยากไปเห็นกับตาเวลาไปเล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังมันจะได้มีน้ำหนักกว่านี้หรือถ้าได้ถ่ายรูปไว้ก็ยิ่งดีมีคนถ่ายรูปไว้บ้างไหมไม่มีครับ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 ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกและไม่น่าเกิดได้ในยุคนี้แต่มันก็เกิดขึ้นแล้วนั่นแหละคนบาปหนามากๆแผ่นดินก็รองรับไว้ไม่ได้อย่างพระเทวทัตที่ทรณีสู่เพราะคิดจะปรงพระชนพระพุทธเจ้าทั้งที่พระพุทธองค์เป็นอุปชาของตนเธอทั้งสองเอาไปสอนลูกศิษย์ลูกหาได้เลยนะ ว่าทำร้ายพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์น่นนะบาปหนักครับกระผมจะจำภาพโยมคนนี้ไปจนตลอดชีวิตคนดูนับพันเลยนะครับถ้าหากว่าคนชั่วถูกลงโทษแบบนี้บ่อยๆ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 บางคนออกจากคุกตอนเช้าพ่อบายก็กลับเข้าคุกอีกไม่รู้จักกลาบจังมหาสมชัยเห็นด้วยพระอุดมวิชญาณาจึงพูดขึ้นว่าการจะเปลี่ยนนิสัยคนได้จะต้องให้เข้าปฏิบัติด้วยปัสนากรรมฐานนี่ฉันก็รับนิมนต์ไปสอนที่คุกบางขวางสอนมาได้เดือนเศษแล้ว แต่ก่อนเข้านิมนต์พระไปเทศสอนนักโทษปรากฏว่าไม่ใดพ้นเพราะการฟังอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เขาทราบซึง้งจนถึงขั้นเปลี่ยนนิสัยได้แต่พอมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเข้าไปล้างจิตใจเขาจิตก็ผ่องไสสะอาดขึ้นพอพ้นโทษออกมาก็หลับจำไม่ทำผิดอีก พวกเขาตั้งใจปฏิบัติกันดีเหรอครับมหาสมชัยถามแรกๆเขาก็ไม่ตั้งใจรอกโดยเฉพาะพวกเสือชื่อดังที่เคยปลนค่าเข้ามากพวกนี้จิตยาบไม่เคยรับคุณความดีฉันไปสอนให้เดินจงกรมทำท่าหึดหัดเข่าใส่จนลูกศิษย์ไปด้วยกลัวว่าจะมาทำร้ายฉัน และท่านจะคุณอาจารย์กลัวไหมครับพระเจริญถามก่อเสียวๆอยู่เหมือนกันพระอุดมวิชาญาณตอบพรางหัวเราะหึๆแต่ก็ไม่มีใครทำร้ายใช่ไหมครับมหาวัยสามสิบเศษถามทำร้ายกายหนะไม่มีมีแต่พูดเยอะเย้ยถากถางเช่นเวลาชั้นไปถึงบางคนแกล่งพูดว่าเฮ้ย ูพระไตปิดกเคลื่อนที่มาแล้วบ้างก็ว่าเฮ้ยหลวงพ่อหนอมาแล้วอะไรทำนองเนี่ยเจ้าคุณโชดกเล่าให้สิทธิ์ในอดีตและสิทธิ์ในปัจจุบันฟังทำไมไม่เรียกหลวงพ่อล่ะครับพระเจริญถามก็เวลาฉันสอนขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพองนอ้อยุบหนอะเขาได้ยินหลายหนอก็คงรำคาญ ก็เเรียกฉันว่าหลวงพ่อหนอเป็นการแก้แค้นเจ้าคุณวัยสี่สิบเล่ายิ้มยิ้มแล้วท่านเจ้าคุณอาจารย์โกรธไหมครับลูกศิษย์ที่มาจากวัดพรมบุรีถามไม่โกรธหรอกฉันจะโกรธทำไมให้บาป เ, ลาเปล่าๆแต่ก็นึกเคืองอยู่เหมือนกันตอนที่มีคนหนึ่งพูดลอยๆว่าเตี่ยม่อต่อเหมือนตอม่อยุ้ง เพราะไอคนที่พูดมันสวยยังกับพระเอกลิเกแล้วเจ้าคุณอาจารย์โต้อตอบบ้างไหมครับเป็นคำถามลูกศิษย์จากอำเภออุ้มผางเมื่อถูกซักไซดเช่นนี้เจ้าคุณอาจารย์จึงตอบไปตามจริงว่าก็โตสิฉันตอบในคนนั้นไปว่านี่เธออย่ามาพูดถากถางเรื่องรูปร่างของฉันนะ ถือว่าตัวรูปสวยรือไงถึงได้มาเยอะเย่อคนรูปไม่สวยอย่างฉันรู้ไว้ดีว่าอย่างเธอหน่ะเขาเรียกว่าข้างนอกสดใสข้างในเป็นโพรงส่วนฉันหน่ารึข้างนอกครุคระข้างในตะติ้งนงองเพราะฉันว่าอย่างนี้เจ้าหมอนั่นอ้าปากค้างเลยเจ้าคุณโชดกเล่าถึงชัยชนะ เงียบกันไปพักหนึ่งผู้อาวุโสที่สุดในห้องก็ถามขึ้นว่าพวกเธอเคยได้ยินชื่อเสือใบไหมละ่ะเสือใบสุพรรณบุรีใช่ไหมครับพระเจริญถามยุคนี้ไม่มีใครโด่งดังเท่าเสือใบกิตติศัพท์ของเสือใบคือปรอนค่าและก็หนีได้ทุกครั้งแต่ในที่สุดก็ถูกจับติดคุก เพราะไม่มีใครหนีพ้นจากเวรจากกรรมที่ก่อไปได้นั่นแหละหมอคนนี้สำคัญมากแรกๆไม่ยอมรับฉันเลยฉันไปสอนแผ่เมตตาให้เขาเพราะดูหน้ า, หาตาก็รู้ว่าคนนี้จะไปเป็นครูสอนวิปัสสนาในอนาคตเขาก็หึดฮัดใส่ฉันอยู่หลายวันพอจิตดีขึ้นดีขึ้นก็ค่อยๆ ย, ย, ยอมรับฉัน ปฏิบัติแค่สองวันพระก็ได้ฌานส6บหเป็นคนแรกและคนเดียวที่ได้เขาก็ร้องไห้มากราบที่เท้าฉันขอโอโหสิ ก, กรรมแล้วก็สารภาพว่าเขาปล้นฆ่ามายี่สิบรายตำรวจจับไม่ได้มาจับเอารายที่ย1สบอ็ดซึ่งเขาเชื่อว่าเขามีบุญที่ได้มาอยู่คุกบางขวาง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 จะแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลไปให้คนที่เขาฆ่าตลอดจนญาติพี่น้องของเขาเหล่านั้นขอให้พวกเธอเอาโหสิกรรมฉันดูหน้าเขาแล้วรู้ว่าเขาต้องทำได้อย่างที่พูดอีกนานไม่ครับเขาถึงจะพ้นโทษมหาสมชัยถามนานเหมือนกันเพราะเขาเพิ่งติดคุกได้เป็นปีแรก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 ซึ่งเป็นวันที่องค์พระมหาบาพิษสมพานเจ้าของชาวไทยทรงมีพระชนมายุ ค, ครบสามรอบเสือใบจะได้รับพระราชทานอภัยโทษและเขาจะไปสร้างความเจริญให้กับพระศาสนาเธอสองคนคอยดูกัแล้วกันจะเป็นไปตามที่ฉันพยากรณ์หรือไม่สรุปก็คือต้นคดปลายตรง ก็ยังดีกว่าต้นตรงปลายคดนะครับมหาวัยสาเสิเศษพูดขึ้นคำพูดของมหาสมใจสร้างสกิจใจพระเจริญนักนึกอยู่เสมอว่าตัวนั้นได้ชื่อว่าต้นคดหากก็ตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะแม้เป็นต้นคดหากปลายนั้นจะตรงแน่วไปให้ถึงพระนิพพานนั้นเถี่ยว